ศึกษาสัจธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วก็มีจริงเป็นจริงในตัวเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนจะมีการศึกษาในแง่ใดบ้างเนี่ยามาก็จะพยายามาชี้นำในส่วนที่เห็นปรากฏชัดเพราะว่าตัวตัว ตัวชีวิตของเราเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนนะเป็นต้นทุนที่เราจะนําไปแสวงหากําไรนะชีวิตเป็นทุนและบุญเป็นกําไรนี้ถ้าหากว่าบุญคือชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้รับการแดดสันไม่ไม่รับการดูแลให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร ตัวชีวิตเองก็จะขาดทุนตลอดเวลาเพราะในตัวทุนตัวนี้มันมีสิ่งที่จะทำให้เราจับใจตลอดเวลาตัวจับใจใช้สอยคืออะไรคือ <c oughs> ตัวที่เราได้ใช้พลังงานในการนึกในการคิดแล้วก็ในการกระทำทางกายวาจาใจ <c oughs> อันนั้นเองในช่วงที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมาการเพิ่มทุนให้กับชีวิตของเราเราจึงสแสวงหาวิธีการที่จะเพิ่มทุนให้กับชีวิตที่แล้วมาเนี่ยตัวสบายคือตัวกำไรตัวทุกข์คือตัวขาดทุนที่ตัวที่แล้วชีวิตที่แล้วมาเนี่ยถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยอันไหนมากกว่า พอจะประมิลด้วยเองออกไหมใครบ้างที่ว่ามีความสุขมากแล้วมีความทุกข์น้อยมีไหมไม่มีใครบ้างที่ว่ามีความทุกข์มากแล้ว ม, ม, ลมีความสุขน้อยใครบ้างที่ว่ามีความสุขความทุกข์เท่าๆกันก็มีเหมือนกันนะเฮ้ถือว่าโชคดีเลยนะแสดงว่าตอนนี้ชีวิตยังไม่มีกําไรยังไม่ขัดทุนใช่ไหมขัดทุนแต่สโลตเตอร์อามาเราไม่ต้องพูดถึงเนะี่ยตั้งแต่อายุ หขวบถึงส0มสิบะกันเนาะจากสาบนี่เรียกว่าขาดทุนมาตลอดแต่ถ้าอายุ30สขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีกําไรมาตลอดนะเพราะเราพราเราไม่รู้จักวิธีลงทุนนะไม่รู้จักวิธีว่าชีวิตนี้เป็นต้นทุนเราไม่รู้จักวิธีการเราก็ใช้ชีวิตนี้เรียกว่า อ, อย่างฟุ่มเฟือยนะใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่มีวิธีว่าจะหากำไรเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนของชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นตัวเงินตัวทองแต่ว่ามันเป็นตัวสุขตัวทุกข์ถ้าหากว่าในช่วงไหนที่เรามีความสุขเราจะจำมันไม่ได้นะแต่ในช่วงเล็กๆ เ, เ, เราจำได้ดีเลยว่าช่วงไหนเรามีความสุขเป็นภาพชาัดเจน ในช่วงที่เราเล็กเล็กแต่โตมาเนี่ภาพที่เราเป็นสุขเนี่ยแทบเลย จ, จาไม่ได้แต่ภาพที่เราเป็นทุกข์เนปรากฏชัดมากดังนั้นเองตัวทุกข์มันเป็นทั้งตัวขาดทุนและเป็นทั้งตัวกําไร อ, อยู่ที่ว่าเราจะบริหารทุกข์เนี่ยเป็นหรือไม่เป็นถ้าบริหารทุกข์ไม่เป็นมันก็เป็นการขาดทุนถ้าบริหารทุกข์เป็นมันก็เป็นกําไรดังนั้นเองในช่วงที่มาอยู่ที่เนี่เราก็จะ มาบริหารความทุกข์เรารู้ได้ไงว่าเราเป็นทุกข์อืมอันนี้เคยถามตัวเองไหมเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรตรงนี้จะทุกพลสู่ตอนเช้านะใครไม่รู้ใครจับทางถูกถามว่าทุกข์เกิดจากอะไรเด้ะตอนเชา้าเราฟังกันมาตลอดนะ ตอนนี้สอบนะว่ากบายสอบนะทุกเกิดจากอะไรไม่สบายกายไม่ใช่ไอ้ น, นั่นคือตัวทุกอะตัวไม่สบายกายใจแต่ไอ้ความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากเออเกิดจากอันนี้จังเพราะอันนี้จังมันถึงมีทุกข์ขังนะทุกเกิดจากอั น, นิีจังคือการเปลี่ยนแปลงทีนี้ แต่ว่าเป็นการทุกข์เกิดจากอดีตยังคือการเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งสุขทั้งทุกททข์ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่เราชอบเป็นอะไรเป็นสุขถ้าเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ต้องการมันเป็นทุกข์เช่นเวลาปวดท้องเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือให้มันได้หายปวดเปลี่ยนแปลงเป็นหายปวดแต่ถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปวดเพิ่มขึ้นไปไง เราก็ไม่ทำการเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงแต่การที่ให้มันเปลี่ยนแปลงเองและการที่เราเข้าไปจัดการให้มันเปลี่ยนแปลงนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองนั้นปัจจุบัเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเสมอถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงมันแปลงไปทางไหนอ่าถ้าเปลี่ยนแปลงเองมันก็เปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อม นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้มันเสื่อมน้อยหรือไม่เสื่อมเราจะต้องเข้าไปจัดการการเปลี่ยนแปลงนะตัวการจัดการที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงนี่เองที่เราเรียกว่าตัวภาวนารูนะ้จักการเปลี่ยนแปลงนะสมมติว่าโดยธรรมชาติบ้านหลังนี้ถ้าทิ้งเอาไวนะ้สักเดือนนึงเนี่ยเราจะเข้ามานั่งมานอนปกตินี้ได้ไหมเพราะอะไรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงข้นมาดก็คือการสรปปกรกลุงหลังนะ แต่ทุกวันเราจัดการเปลี่ยนแปลงความที่มันลบลุงหลังไม่สะอาดเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงให้สะอาดมันก็ได้สะอาดได้ทุกวันนะตัวนี้คือเป็นตัวงานขึ้นมาดังนั้นเองเราจึงเข้าไปบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้หลักของวิปัสสนานะที่ถามว่าเมื่อกี้ว่าเราลูกไงว่าเรามีการเรามีทุกข์ามีการเปลี่ยนแปลง ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปจัดการการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอย่างถูกต้องเราก็บริหาความทุกข์นั้นให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ทำให้เราอ่ารู้สึกว่ามันมีความทุกข์ตรงที่ว่าเราสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะเป็นแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่ า, าเราต้องเคลื่อนไหวตลอดนะเคลื่อนไหวอย่างโน้น อ, อย่างนี้ บริหารจัดการแต่เคลื่อนไหวนั้นเราจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาอันนั้นคือผลของการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอ น, นิจจังหน่วยปลายผลบรรปลายพวกมั น, นการเปลี่ยนแปลงมาจากข้างในละการเปลี่ยนแปลงข้างในก็คือการที่มันเปลี่ยนแปลงจากตัวเย็นรอนอ่อนแข็งเข่งตึงเพราะการเปลี่ยนแปลงเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเหมือนละลอกที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นสมมติว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยนะ ทำไมเราจรึงนั่งนิ่งๆนานๆไม่ได้เราจะต้องมีการขยับส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมไม่ว่าพับต า, าปากเหลียวซ้ายเหลยขขวา ห, หรือขยับในส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะอันนั้นคือให้สดพร้อมว่าเราเป็นการระบายระบายความไม่สบายในส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนะการเหลวเพื่อขยับไอ้ส่วนที่มันตึงมันเครียมันไม่สบายเนะี่ย พอาดการเปลี่ยนแปลงปั๊บมันมีการระบายในส่วนที่ไม่สบายนั้นออกไปแล้วในส่วนของความตึงความเครียดความไม่สบายเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นเหมือนละลอกขึ้นของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของอะไรการเคลื่อนไหวของการส่วนเล็กๆกๆ ล, ล, ลงไปจนเป็นความเคลื่อนไหวของความรู้สึกภายในลึกๆเป็นละลอกละลอกละลอกขึ้นออกมา ตอนชีวิตของเราก็จะพลิ้วไหวไปตามจังหวะของความเปลี่ยนแปลงแต่ลักษณะของการเคลื่อนการไหวการไปกันมาถ้าเรามีการศึกษามีการภาวนามีการเอาใจใส่มีการบริหารจัดการการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็จะเป็นตัวองค์ภาวนาพอดนะีนั่นเองที่เรามาเข้าคอร์สปฏิบัตินี้เพื่อที่จะมาได้ความรู้สึกในส่วนนี้ เพื่อจะได้มารู้จักบริหารจัดการในส่วนนี้ให้เกิดความชีนิชชันนานเพราะอะไรเพราะตลอดเวลาการเคลื่อนไหวมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะงั้นการที่เราจะหาเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอันนี้ให้มันทุกข์หรือให้มันไม่ทุกข์นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่จัดการบริหารจัดการมันก็นำไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเราบริหารจัดการมันผิดก็นาไปสู่ความทุกข์ เราก็จงมาแสวงหาความเข้าใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงจัดการการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกที่เรียกว่าสำ ม, มาทิฏฐินะครับดังนั้นเองตลอดเวลามาจึงจะชี้ชวนให้เกิดการสังเกตในตัวของเราเนี่ยว่าอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วการที่เข้าไปจัดการในแต่ละจุดของการเคลื่อนไหวจะขยับขยื่ยนเปลี่ยนแปลงะอะไรต่างๆให้ให้รู้จัก แต่ส่วนหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เราที่มันละเอียดมากเหมือนเราไปบริหารจัดการไม่ได้เช่นความรู้สึกเย็นด้วยอากาศร้อนด้วยอากาศเพราะนั้น4ี่ตัวหลักที่จะทำให้เกิดการเ ป, ปลี่ยนแปลงโดยที่เราจัดการมันไม่ค่อยได้นะจะเป็นเหตุนะเ ป, นเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุ ที่ในฝ่ายรูปนะ ก, ก็มีหนึ่งกรรมนะกรรมคือการกระทํานะไม่ใช่กรรมเก่ากรรมขณะนี้เราในส่วนกายกรรมของเราเนี่ยเราเราเรากำลังทําอะไรอยู่ในะขณะ น, นี้นะอย่าไปคิดมากนะขณะนี้ในส่วนตัวของเราในส่วนที่เราเราอยู่ขณะเนี้ยเราอยู่ในเรากำลังทําอะไรอยู่ เราคนนี้ทำอะไรอยู่ง่ายๆฮะไม่ใช่เรากําลังนั่งบอกแล้วอย่าไปคิดลึกนะฮะคือกายกรรมเราคือการนั่งแต่นี่ใชยไหมถามว่านั่งเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์อันนี้นะเริ่มต้นเออเป็นกรรมใช่ไหมกายกรรมของเราขณะนี้คือตัวหลักก็คือการนั่ง แล้วตัวลองต่อมาก็คือการการยกมืออันนี้เขาเรียกว่ากายกระดใช่ไหมในส่วนกายนะและในกรรมหลักคือการนั่งและการเคลื่อนไหวกรรมในส่วนอื่นมีไห ม, ม, มกรรมย่อยๆมีไห ม, มในในตัวนั่งเนี่ยกรรมย่อยๆมีไหม ม, มีอะไรบ้างในหายใจเรี่วซ้ายไหลขวา เนี่ยเป็นกรรมทั้งนั้นเลยและแต่ว่าเราเอาใจใส่ต่อ ก, กรรมอันนี้ไหมเอาใจใส่ต่อการกระทำอันนี้ไหมการที่เราเอาใจใส่กรรมหรือการกระทำอันนี้นี้เป็นส่วนของการภาวนากรรมเรียกกรรมาฐานเห็นไหมถ้าเราเอาไปใส่ต่อการสิ่งที่เราทำเอาใจใส่ดูแลดูการเป็นไปการสุข ก, การทุกข์การสบายมื่ใส่เหตุั้งมัน พอเราเอาใจใส่มันลงไปปุ๊บอย่างถูกต้องจึงเรียกกรรมตัวที่กลายเป็นกรรมฐานถ้าเอาใจใส่แบบอยากให้มันสนิทให้มันนิ่งให้มันสงบ ก, ก็จะเป็นสมถกรรมฐานเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่แบบเห็นสภาวะอะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสภาวะนั้นลงไปชัดๆ ไม่ต้องการว่าสงบหรือไม่สงูงแปรต้องการเห็นสภาวะที่เป็นอยู่ขณะปัจจุบันนี่ว่าขณะที่เรานั่งแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเล็กเล็กน้อยเกิดขึ้นเนี่ยในสภาวะกำลังนั่งและมีการเคลื่อนไหวสภาวะนี้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปเห็นสภาวะเกิดขึ้นทั้งอยู่หรือเห็นไตรลักษณะที่เห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกำลั ง, ละาางจะเป็นความสบายหรือไม่สบายก็ตามแล้วเข้าไปเห็นมันชัดชัดโดยที่เห็นมันโดยเราเป็นผู้ดู แต่เวลาเราไม่ใช่เป็นผู้เป็นอาการนั้นทัศนะนั้นี่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าดูเฉยๆโดยที่ไม่มีการแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรดูนิ่งๆเฉยๆเนี่ยเป็นสมถกรรมฐานใช่ไหมเห็นไ้มนั่งไปนั่งมามันเกิดง่วงขึ้นมามันเป็นอะไรกรรมฐานโยมหลวงพ่อบอกว่าถ้านั่งดูแล้วจิตพยายามให้จิตนิ่งจิตสงบตั้งตัวนิ่งตรง เที่ยงสงบแล้ว เ, เป็นสมถะใช่ไหมถ้าดูแล้วได้เห็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปออกมาเป็นความโปวดความเมื่อความเบือ่อความเซ็งแล้วเข้าไปเห็นอาการเหล่านั้นโดยที่ใจเราไม่เป็นด้วยเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่ทีนี้เอามากําลังถามว่ขาขณะที่เราเอจิตของเรามันก็จะว่านิ่งก็ไม่ใช่จะว่าเข้าไปเห็นไปเป็นอาการเหนั้นก็ไม่ใช่แต่ว่ามันกําลังง่วงเหงาเศ้าซึมกําลังสลืมสลืออยู่เนี่ยมันเป็นกรรมอะไร เมื่้เวราเป็นกรรมาฐานใช่ไหมแต่ที้อาการที่มันกาลังเมื่อยกำลังอง่วงมันเป็นกรรมอะไรเรียก ว, ว่ากรรมวิาววบาห์ขัดเรี ว, วิาววบากกรรมนะเรียกวิวววบากรรมเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุอันที่หนึ่งคือกรรมนะอันที่สองข้งหมดมีสาเหตุนะอันที่สองกรรมที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ย พี่ว่าไปเนี่ยไม่ว่ากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานหรืกรรมวิบากกรรมกรรมฐานวิบากกรรมวิบากไม่ใช่กรรมฐานทั้งหมดที่ที่เราเห็นโดยรวมที่มันปรากฏขึ้นเป็นผลใครเป็นผู้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะใครเป็นผู้รับรู้จบให้ชัดอีกที ว่ากรรมเหล่านี้ที่สัมพันธ์กันทั้งหมดนี้มีอยู่ใครเป็นผู้รับรู้ใครเป็นผู้รับรู้จิตเป็นผู้รับรู้เพราะนั้นเหตุอันที่สองคือจิตอ่าเหตุที่สองคือจิตถ้ารับรู้ผิดแล้รับรู้ถูกล่ะมันม่เนีนย่ยเขาทูมมาจาะแพร่ก็ จิตเข้าเป็นตัวเข้าไปรับรู้ถ้ารับรู้ในทางที่ผิดก็คือไปสําคัญมันหมายว่าสิ่งที่เรามีสิ่งเรียกทํามธรรอยู่เนี่ยมันเป็นนั่นเป็นนี่ทําให้เราไม่สบายทําให้เราเบื่อเราเสงี่งเราเราเหงาเราสุขเราทุกข์เราเป็นหมดอันนี้รับรู้ถูกหรือรับรู้ผิดรับรู้แบบนี้ร <c oughs> ับรู้ถูกหรือผิดผิดเพราะสําคัญมันหมายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรา <c oughs> ผลออกมาเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ เป็นทุกทั้งกายและทั้งใจนะเอาละทีนี้นะทีนี้รู้ถูกรู้อย่างไรการที่เขาไปรู้ถูกก็คือรู้ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้มันไม่ใช่เราแต่มันเป็นก ำ, กำลังเป็นการทํางานของกระบวนการของอะไรรูปและนามอ่าให้ดูอย่างนี้นะ สิ่งที่เราปรากฏขณะนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นขบวนการของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ดําเนินไปในรูปและนามในกายและใจแล้วมีผู้เสวยไหมถ้ารู้หรืมีผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ไหมไม่มีเราเป็นผู้เห็นสุขเห็นทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกเรียกว่าสัมมาทิฐิแต่ที่เห็นเมื่อกี้ว่าเป็นทุกข์เป็นเราเราเปทุกข์เป็นมิจฉาทิฐินี้จิตเป็นตัวนําใช่ไหมเอา ทีนี้กรรมก็ดีจิตก็ดีเนี่ยทั้งสองอย่างนี้เกิดมาจากเป็นตัวอะไรเป็นตัวตัวทําให้เกิดอ่าตัวนี้สําคัญร้อนก็ดีหนาวก็ดีปวดก็ดีเมื่อยก็ดีในตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานหรือมันเป็นมันเป็นรูปหรือเป็นนาํา คมรู้สึกเย็นร้ออ่อนแข็งหรือการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนามผู้รับรู้เป็นนามสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปอ่าระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รับรู้เนี่ยใครเป็นพลังงานใครเป็นใครเป็นตัวพลังงานตัวรู้เนี่ยเป็นตัวพลังงานใช่ไหมอ่าตัวนี้เกิดมาจาก พลังงานที่เรียก อ, อุตุก <c oughs> พลังงานภายนอกพลังงานภายในแล้วเอามาใช้คําว่าภูมิต้านทานอ่ะภูมิต้านทานภายนอกภายในที่ไอความความที่เราร้อนอุดอัดเนี่ยมันเป็นพลังงานอันหนึ่งพลังงานอันนี้มันจะบีบให้เราเกิดความหอ่อเหีวเฉาง่วงซึลมซึลใช่ไหมเพราะว่าข้างในมันร้อนมันร้อนจัดเลยเผาเราเหี่วเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเราจึงไม่กับพีิกบกระปล่า เราจะหดหูทอ่อถอยเพราะพลังงานือความร้อนภายในเป็นไงสูงเกินไปทีนี้วิธีบําบัดทําไงเดี๋ยวพลังงานอันนี้เกิดจากอะไร ง, งานภายนอกภายในเกิดจากหมายความมันเป็นอุตัอตัวเนี้ยอุตุเพราะฮิท้อุตุและอัชตะอุตุอัชตะตัวคือภูมิข้างในมันก็ร้อนอากาศข้างนอกก็ร้อนเรียวกว่าอุตุ ที่บีบคั้นภายใภายนอกภายในก็บีบขั้นให้เราไม่ไม่สดชื่นและโดยเฉพาะช่งชวงเช้ามันสดชื่นแต่ช่วงบ่ายไม่สดชื่นเพราะอะไรนอกจากอุตุแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นช่วงบ่ายเราได้ผ่านอะไรมาผ่านกิจกรรมอะไรมามมการกินคืออาหารเพราะฉะนั้นสาเหตุให้เกิดกระบวนการพวกคือกรรมจิตอุตุอาหารสอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิด สุขเกิดทุกข์เกิดสบายไม่สบายของรูปนามอนี้เห็นไหมอันนี้คือเหตุที่ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะเพราะเราเห็นไหมว่าพลังงานเหล่านี้มีจริงมีอาการง่วงลืมสลื้อนักนวงทวงทับอ่ า, อ, าอบอบอ้าวอะไรพวกนี้มีจริงการที่เราเข้าไปอินไซต์อันนี้เราก็จะเห็นโออาการนี้อันนี้เป็นตัวสัจจะคือสัจจะแปลว่าสิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่สัจจะเหล่านี้ ถ้าเราไม่เข้าไปศึกษาไม่เข้าไปเรียนรู้ไม่เข้าไปอีนไซ์มันมันก็จะเป็นตัวสมมุติสัจจ์อ่าเป็นตัวคือเราไปสมอ่าไปสมมติอาการเหล่านี้แล้วก็ไปจิตก็เข้าไปเป็นกับมั น, นอ่เพราะมันเป็นอาการที่เกิดจากภาวะของตรลักษณ์อ่เพราะมันเป็นรูปรูปทุกรูปเรองอยู่ภายใต้อานาจของ ไตลักษ์ใช่ไหมแล้วเราก็จะเป็นอาการเพราะฉะนั้นผู้ใหม่ทุกคนก็จะสัมผัสอาการนี้ได้ง่ายเพราะว่ากําลังตัวรู้ของเรายังไม่เพียงพอที่จะแยกอะไรออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงใหม่คนใหม่ที่สุดเบื้องต้นต้องเป็นไงฝืนใช่ไหมฝืนหน่อยฝืนโดยการใช้กําลังของสติกําลังของสติก็โดยการทําให้เยอะๆไว้ก่อนเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยจึงไม่อยากจะให้นั่งนานเราจะใช้วิธีการเดินจงกรมนะ ในช่วงบ่ายนีいい้เราก็จะเดินจงกลมสักพักหนึ่งแต่ท e ี่นี <BLACK> ้เราจะเดินจงกลมหมูหรือจมกลมเดี่ยวได้มิคี้ถามเจ้าของบ้านว่าข้างบนใช้ได้อยู่ใช่ไหมอาโอเคพ่อเป็นวัดของหลวงพ่อแล้วตอนนี้นะห้าวันนะแล้วแต่หลวงพ่อบริหารจัดการแล้วที่นี้ในช่วงบ่ายนี้ไอแสงมันจะเข้าทางนี้ใช่ไหมพอร้อนมันจะเข้าตรงนี้เพราะนั่นในช่วงแรกนี้จะ เราจะเดินชมกลุมร่วมกันก่อนนะแล้วหลังจากเดินชมกลมร่วมกันหลังจากนั้นเราก็จะแยกย้ายกันหาที่นั่งคนละมุมไม่ใช่มานั่งรวมกันแต่ส่วนจะเป็นมุมไหนอีกทีนึงนะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราลุกขึ้นแล้วเก็บอาสนะรวมกันแล้วเราก็จะเดินร่วมกันสักพักนึงเก็บขวดน้ำขวดอะไรหลังจากเดินร่วมกันพอสมควรแล้วทั้งก้าวหน้าถอยหลังอะไรพอให้มันตื่นตัวให้ปอดโปร่งแล้วเราก็จะแยกที่นั่งกันนะอ่ะตอนนี้เก็บอาสนะเคลียร์พื้นที่กัน